สดมนทุกเชา้าเราก็สาธยายเรื่องของทุกมีการลำดับหรือพรรณน า, นาความทุกข์ลักษณะต่างๆตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ที่พนันนามาตั้งแต่เช้าเลยนะอันนี้เนี่ยเพื่อเตือนใจให้เราเลึกถึงความจริงความจริงก็มีทั้งสุขและทุกข์นะแต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยเรา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 ทำให้มันไม่จีรังยั่งยืนถ้าเราปล่อยมันเฉยๆนะ่นมันก็เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติแต่พอเราไปยึดมันเข้าเราก็จะพลอยเป็นทุกข์ไม่วันนี้ก็วันหน้านะแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ไม่เป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นทุกข์นะอันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะ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 ดึงมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่ศาลามาอยู่ที่การฟังคําบรรยายของธรรมามันจะมีอะไรที่ต้องทุกข์หรือเปล่านะก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกข์นะความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่นะแปดสบเก้าอร์ซความทุกข์ใจแปดสบเก้าอร์ซเนี่ยนะมันก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นในอดีตที่ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง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 และจากํำคาญก็จะกลายเป็นขุนเคืองและถ้ายัางจ ด, จ, ดจอดจ่อยึดมั่นถือมั่นต่อไปก็จะเป็นก็จะกลายเป็นความโกรธนะอันนี้เราทุกพอยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ปัจจุบันนะหรือว่าขณะนี้มีความปวดความเมื่อยถ้าใจเราไปจดจออกับมันนะเราก็จะยิ่งทุกขนะ์ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยอย่างที่ว่ามาแต่ถ้าเกิดว่าเรา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 ก่อนที่จะขึ้นรถนะก็ตบกระเป๋ารากว่าโทรศัพท์หายแต่ก่อนนี้ปกตินีในกระเป๋านี่จะจะเก็บโทรศัพท์ไว้ตบกระเป๋าไม่เจอโทรศัพท์ก็เชื่อเลยว่าเนี่ยมีคนเอาไปมองไปรอบตัวก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะท่าทางมีพิรุษเมื่อสักครู่ยิงเดินเฉียด ใกล้เลยก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเข้าไปก็ไปล็อกตัวเขาทันทีนะไปล็อกคอเขาบอกว่าเอากระเป๋ามากระเป๋ามาเฮ้ยเอาเอ า, เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาเขาบอกโทรศัพท์อะไรผมไม่รู้เรื่องโทรศัพท์กูไงนะคนตัวไม่เจอโทรศัพท์ของตัวเองก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคงมีอีกคนหนึ่งสู้ร่วมคิดมาร่วมด้วย เอาโทรศัพท์ไปให้เขาไปแล้วจะได้ไม่มีหลักฐานก็เลยเอาโทรศัพท์ของชายคนนั้นแหละโทรเข้าเบอร์ของตัวปรากฏว่าติดนก็ไปก็เลยพูดเลยเนี่ยเอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวนี้บอกกอดว่ามันมีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะบอกว่ามาเอาเลยมาเอาเลยนะกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้นะ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 พอเห็นกนบุรีนะตรงระเบียงในห้องที่พ่อนอนรักษาตัวอยู่นะก็ด่าว่าพ่อว่าไม่ไ ม, ไม่รักษาคามั่นสัญญาพ่อก็บอกพ่อก็ปฏิเสธว่าไม่ได้สูบเขาก็ยั ง, ย, งยืนกราว่าเนี่ยพ่อเนี่ยทำผิดแล้วไม่ยอมรับยังโกหกอีกด่าว่าพ่อเสียหาย มารู้ความจริงตอนที่พ่อตายไปแล้วว่าจริงๆไอ้ก้นบุหรี่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่พ่อสูบนะแต่มันมาจากห้องข้างบนห้องข้างบนนี่ก็สูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงมาลมมันก็พัดเข้ามาอยู่ในระเบียงมารู้ความจริงเข้าก็สายไปแล้วพ่อตายไปแล้วคไยขอโทษไม่ได้ก็เสียใจอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ปรุงแต่งผู้คน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 ไม่ถูกเท่าไหร่หรือถึงจะยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าก็ไม่ยึดมั่นว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยวางหายก็หายไปหายแต่ของนะแต่ว่าใจไม่หายความสุขไม่หายไปด้วยก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้ตอนที่น้ําท่วมใหญ่ปีหนะ้าสี่นก็มีคนสูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากเพราะถูกน้ําพัดพาไปหรือว่าจมจมน้ํา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 ตกลงไปในทะเลบางคนก็หวงมันเสียดายโดดลงไปไปเกอะมันเอาไว้ด้วยความหวังว่าจะกู้มันขึ้นมาจากทะเลได้อย่างงี้ตายเปล่าเสียทั้งทรัพย์นะเสียทั้งชีวิตด้วยเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกู้ของกู้าคนเราถ้าไม่รู้จกักไม่รู้จกักไม่รู้จักวางนะมันก็จะ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 พยายามปรุงแต่งมันหาลุ้มไมว่าเนี่ยเรากาลังเป็นทาตมันและที่เป็นทาตุพไปยึดมั่นถือมันมาเป็นเราเป็นของเราอะไรที่เรายึดมันว่าเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยยึดมั่นถือมั่นว่าเพชรนินจินดาอัญมณีเป็นของเรานะพอมีคนจะมาป้นมาจี้มาเอาไปไม่ยอมนะหวงแหนมันอยากจะรักษามันเอาไว้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 สาเหตุของการพ้นทุกข์นะจะพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องรู้จักวางแต่คนเดี๋ยวนี้นี่อยา ว, ว่าแต่วางปล่อยวางกิเลสปล่อยวางความโกรธปล่อยวางกิตอนาคตเลยนะแค่ปล่อยวางโทรศัพท์ก็ยังไม่ยอมวางกันนะเวลากินข้าวเนี่ยก็ยังถือโทรศัพท์กุโทรศัพท์ไว้แน่นนะ เวลาบางทีแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำก็ยังจำเอาไว้มีหลวงพ่อหนึ่งท่านบอกท่านสอนโยมนะบอกวางวางบ้างเถือโยมโยมก็ถามว่าปล่อยวางความกวดไปวางกิเลสใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกป่าหรอกวางโทรศัพท์ของแกต่างหากนะเพราะว่าขณะที่ฟังเทศน์นี่ก็ยังจำโทรศัพท์ไว้แน่นเลย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 ทีแรกเห็นทุกข์ด้วยเห็นทุกข์ด้วยสติก่อนเช่นมีความกลัวเกิดขึ้นมีความเศร้าเกิดขึ้นมีความปวดความเมื่อยที่กายที่ใจอธิกายก็เห็นมันดูมันไอการเห็นด้วยสติก็ทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นความกลัวเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้กลัวเห็นความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้พอสติเมื่อเห็นมันก็พ้นทุกข์ได้แต่เป็นการพ้นทุกข์ชั่วขณะ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 สิ่งที่ตามมาคือความสงบเย็นนะสำคัญมากนะคำพูดเนี่ยของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมรณภาพเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ได้เพราะสติเห็นทุกข์ได้เพราะปัญญานยาการมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องสาคัญเอาละเาช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะอ่ะกลับพักพร้อมกัน